เราเ ม, มาไม้มาไม้ก็สามรถนะไมอะไรมาทาอะไรก็นี่มัค่าบึงขืวขาพราค่ากัเหมาคนน้าท่วมขื่อเอ้าคนแต่ท้อนงนาเขาน้าเหนท่วมเลยวัดนี้เงินทุงสูงรักาลวัดจะสูงอยู่นแล้วก็สูงยู่แล้วน้าขือไหจะมาท่วมอ๋อคนน้าพริกน้ำแกงน้ำโกโก้กาแฟน้ากลมน้าหวานอะไรที่า ว, วาง เฮ้ยไงหานทํางแม่มาไมนั่งพร่อนจะตายแล้วพระน่งดูไม่มีวกีบปากนังพื่อนจริงๆเราดูเพราะเราดูเป็นธรรมเฮ้ยดูเพื่อนลิ้นกพป่าปากอย่างเดียวดูธรรมแมเพาะมุ่งธรรมอย่างมากถึงนั้นจถึงปัจจัยเพื่อนอาศัยไปช่วยวย่าสาร การมันกลับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากกว่าเรื่องอัดเรองทำไปเสียรู้มาเ็นกระหอกเนี่ยหยุดไปก็มีแต่เขาทำเขาตามเรื่องเวลาเงาโยงเขามาถวายเรื่องอันหนึ่งเลยเขาครั่งกับการหล่งของเขามันไม่มาเกี่ยวกับเรื่องทํานอาจารยเป็นคนสั่งคนเสียเป็นเรื่องแต่กรรมเรื่องของเขา เรื่องของของอัรงคนนั้นเไม่หา้ามเรื่องของวันหนึ่งมันหม่หจำเป็นแต่ว่ามันจาเป็นตลอดมันท่วมตลอม ด, ลอดมันก็เหมือนกับไม่ใช่หัวิดส์บ้างนิดหนึ่นงหน่งครั้งราก็หยุดสำหรับนภาษาเขาได้สั่งมาทุกปีลุ้มันทุกปีเลยครับแต่จาได้เร เมื่อวานนี้ผมสังน้ำมันสาเพามันท่วมบางทีให้อยุดไม่ทำเพราะน้สาวก็ไม่อืวยังไม่เข้านสากขสั่ ง, น, น, น, งนอกจากเวลาจำเป็นนั่นเป็นอีกกรณหนึ่งพยายามที่พูดแล้วนันสำหรับพ่อแม่น้องปกติธรรมดาเหมือนอย่างนี้ก็ล่างเห็นนี่ดูบาทมันก็เต็มบาดดูถาดก็เต็มถาด มันชาแล้วมันเหลือเือไปล่ำลือไปอะไรนั่นหนาเรอกินเรื่องขี่นั่นไล่ําืเรื่องอดเร่ทํากินแล้วยังส่งไ้เดื่อไปเรื่อยตักมันด้ว่ยส่งมันเรื่อมัน่งขวางใหญ่เลยเรื่องนาเพราะมนก็กินไม่เห็นไั่อดขึ้นมาได้ เคยดำเนินมาเนี่เป็นอย่างนั้นหรือว่าความแอคโอชาในตานเหมือนกันประยุว่าไหนเหมือนกันเพราะ้อาะสายเล็่น้อยไปเท่านั้นท่านเดินท่านยิ้งมาเป็นคนกังวลกับเรื่อง่นี้หรือมีอะไรท่านท่านางนั้นภาวนาม่ดีเลยเื่อไปอยู่ท่ามั่งโคอย่างนี้แต่นมั่อไหร่จะเียงหนึ่งุกเอตอง ล า, ามาขอ น, นะับพระานปเอยังไงะผมดูมนและมีมาทั้งมีมากมีมกหลายองค์มันไปอยู่ในที่นอนทั้งแรงก็มีสองทัพองนันบ้านทั่งสิวลังคาเรือ่อยคลิปตอะไรมากังแก้มขัดแก้มลายมากินกัน ไม่นสนใจเขาเรื่องอาหารดูมาอย่างนั้นระบบคลองแคล่วอากาศน เ, เขืนแต่ไม่ถือเปเรื่องบอกคองขาดเขื่อนไม่ได้ไปเป็นอารมณ์ขมันมันก็สนุกความมนาพม่ใช่รังขืนี้ือเปล่าลังคาเรือนเขาเจ็ดสิบเจ็ดังคาเรือนผ้าได้ทังเท่าไหร่หมันถึงถึงห้าสิบกุมคนเจ็ดสนบลังคาเรือนกะบ้านนอกของนาเขาจะหาอาหารทั้งบุญอะมาให้เรอกิน ข้าวไม on, ่อดการหัยกักตู้คนที be, oh, ่ซ่อนสองซ้อนของเกาอยู่กันอย่างนั้นพอนานก็ดูมานนี่จะแตงนั้นส่วนที่เราเคาะแสงหาร์พิเศษของเรา เราทำปาทำของพอรู้แล้วเวลาไปทำเราเองปิตามันก็จเจริญมันดีมันขึ้นแม่แต่ไปอยู่ในป่าในป่าบางทีมันยังมีอาหามากมากก็มีบางทีเขาได้อะไรอะไรมาคนนั่งก็ได้คนนี้ก็ได้เอามาลุมกันเจริญตะกวดตะเปิดมี ม, ม, มีมันให้กลินนั่งอมา ม, มากมาถึง ว่าป่ามันก็มีเครื่องป่าของป่าแล้วว่าก็จำแมวกินเน่าเหมือนหมูเ <c oughs> ออมัอยางนี้เหรอนั่นว่ามันกีนดิมเป็นยังนี้เหรอนั่นมันคึกนะันะคืเรเรียนธรรมะอยู่เสมอธรรมะหมาะแล้ววันไหนพุงเตมกลางๆ ล, ล้วธรรมะเหมาะไม่ไม่ใช่เรื่องอดัดเนี่ย มันเอาไปงันเนี่าผมเหนื่อยทั้งี้สายเจ้าของนี่มพริกไอพริกมาเรืยเอา น, ะนี่มีบ้านเราอยู่ที่ไรกะระร่นไเห็นด้วยตาเอางดังมันร้นมันเหนือยเหนือยนยาตราก่อมาหมดไปเห็นเหนืออยอาหารประจำะขายมาการทามายื่งร้อน นม่สามเจะาอะไรใส่บางวันกองพลเดินตรวจตกผู้จัดมือเป็นหวัดอยู่ผมงกระทรงสามารณกแต่มันจะทำยังไงใครๆก็รู้กันอยู่นี่่ยังไงกันเรื่องการเมืลิกแบบกานที่จะให้บอว่ามี้ารมาจัดทำรัฐประหารอย่างนี้ไม่เป็นงัน คนก็มาเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องก็เลยเป็นเรื่องภาระทั้งข้างนอกยุ่งไปหมดเหล่านี้มันอดชีวิตมาได้ชีวิตหมดแต่ส่วนไหนที่คนแก้เราแก้เป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะอันนี้คนแก้ตรงนี้แก้เดอเพราะเราแก้ได้เราทําได้นี่เราดูเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่แก้แบบแบบดื้อด้านเราแก้ด้วยเหตุผลแก้ด้วยเหตุการณ์ปรับปรุงด้วยเหตุการณ์ทําให้มีขึ้นได้ด้วยเหตุด้วยเหตุผลทําไพ่ลถลงไปด้วยเหตุผล ร้อนมันด๋นนจริงๆก็ขาไเห็นสุวรรก็ไม่เคยอห็วันนี้มีอาหารขังอ่ะฟาดข้าวเขากระเปาอะไรวาะปาประทับใจไม่เห็นขัมันร้อนร้อนอยูน่นะยของผมดูสิควายงั้นนะยิงไเห็นไม่ไห้หมูเห คาดขันก็ไม่รับไปทั้วันาว่าผมว่าโกโ ก, โ ก, โก้เว้ยแจกอาหารก่อย่าให้พูดทำซ้ำซากซากสังเกตกันรุกไหนแจกไปทางไหนไหนแจกไทางไหนแล้วแจกก็ต้องดูบาดด้วยถ้าแจกด้วยปัญญาแจกด้วยนปฏิบัตินปฏิบัติต้องเป็นนักมีสติปัญญานี่บาดไหนเป็นไหนดูก็รู้ อย่าให้มีทางนั้นขาดขาดทางั้นเขินนั้นนิรื้อเพื่อหรือเหลือนเหลือไปด้กันน้อยน้อยไปด้วกันมันจึงเป็นธรรมเสมอภาคปากท่อไม่ถือเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยมันมีความจําเป็นเท่ากันให้คิดตรงนั้นเด็กได้ว่าผู้ใหญ่ที้มีความจําเป็นมากกว่าไม่เอาผมผมพูดจริงนะผมเคยพูดในหมู่เพื่อนผมกเคยไปอยู่เขาบอกว่าเป็นลักนักล่าจาจารก็ถูกผมอย่าง คนพิผีสูงอะไรนะ เ, เห็นไปเจอเป็นทุกอย่า ง, ม, ง, ง, ใใง ม, มันอ่ะเกิดความตื่นตระหนกในใจยังมีอุทานในใจยังมีจะเคยพูดกันพวกอันฟังพาทั้งหลายอ่ะอาหารก็ะ ข, ข้ากันเกิหนหัวหน้าในกองกระเริ่นเถืนถือ ไอ้ทราบม่อมไอ้ทราบปินโตรอบหน้าล้อมหลังแต่หัวหน้าสั่งสักทีเดียวมันจะอยู่ได้เหรือเราเนี่ยน่ะไม่สั่งใครจะกล้ามาแตะก็เพราะความเคารพนั่นแหะผู้น้อยยังดีกว่าผู้ใหญ่นัะผู้ใหญ่ไม่ไม่คิดผู้น้อยยังมีความคิดเพรความเคารพไม่กล้าเ น, นี่ยผู้ใหญ่ทําไม่ึงไม่คิดท่องนั้ น, น, นเป็นท่องอะไร นี่มันเรื่ดุริางค์ในใจเฮ้ยเราถ้าลงราได้เป็นผู้ใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมนานุ่นอะแล้วมันถึงใจโด้วยนะไม่ได้ว่ายืนมันถึงอยู่ตั้งกรทั่งทุกวันว่าทีอใจจะมาทํอย่างนีน้ผมไม่ได้นะฮึแล้วเอาทําเรากล้าทาทุกวันไม่ได้กล้าท้องนี่นะไม่ได้กล้าดิ้งกลาบปากของเราเรากลาบทำทั้งหาหมู่ื่อนมาอยู่ด้วยไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยปากเท่ามีความจำเป็นเท่ากาันตรงนี้ไม่มีเอาโศกันเตยพี่น้ําลงถึงนั่นแนละ้วมันก็เป็นความจริง ปากเน้นกระทองปากปา ก, ปากกับทองนั่นกันอยากให้มันเสมอไปหมดมนี่ต้องเป็นธรรมการแจกมันฉลาดนอกจากแจกประสานกันให้สม่ำเสมอแล้วยังต้องดูบาดบ่าไหนบกพร่องนอกจากเจ้าของไม่ต้องการนั่นก็เป็นอีกแ ง, ง่หนึ่งคิดหลายสารหลายคมนี่ทาไม่ได้ มันขวางยัยิ่งขวางยัหัวใจนี่นะปากมันจะมาแสงทำได้ยังไงริร้นมาแสงทำได้ยังไงเรามาปฏิบัติเพื่อทำไม่มาปฏิบัติเพื่อริ้นเพื่อปากพอจะให้มันแสงทำเหยียบย่าทําลายทําแบบกันหมดไม่เอามีอะไรหมดก็หมดด้วยกันยังก็ยังในกันใครมีพ่อมีแม่มาเลี้ยงมาดูอยู่นี่อื สนามพ่อแม่บ้านเรือนมาทุกคนทุกคนมาก่อาศัยคู่วาอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อนอาศัยการเป็งไงอยู่ด้วยกันกินด้วยกันอนที่เดียวอาศัยกันเป็นด้วยกันตายด้วยกันนั่นที่เดียวอาศัยกันไม่งั้นเรียกว่าอาศัยได้ยังไงหัวหน้าจะมีคุณค่าตัวตัวคนเดียวไม่ได้ผมนี่สำนักผมไมาให้มันมีมีไม่ได้เป็นการขาดว่างั้นเลยถ้าลงพันธ์้นไม่พอแล้วเรายังจะมาท่วมปาเราอยู่คนเดียวโอ้โหคนทําไม่ได้จริง มันยุ่นเตือนเรหมอดูกรม่อมมันเลยมาพูดบต่ปากนะมันพูดออกมาจากหัวใจจริงมีอะไรก็ใช้ด้วยกันใครเอาไปเลยใครจาเป็นเลยเอาไปใครมาข อ, อของจากของทุกคนใครต้องการก็ช้ใช้เหมือนขวรเรือนเดียวกัน มีพวกเราตอนนี้หลังพึ่งเป็นพึงตายแล้วพอแม่เพื่นฝูงออกเราก็สละละวางมาหมดลมาเพื่อนรุ่งเราศสนาเพื่อนรุงเราอุบาจัานทร์เพ่นสูงมาพึ่งกันละกันก็ต้องทำอย่างนั้นนะผมก็บว่ามาพึ่งกันอาศักายกัน้วยไมทันเวันนี้ไม่มีอะไรอีกไม่รู้่องไ